การปฏิบัติไม่ยากพูดทีไรก็ว่าไม่ยากนะ ต, ต้องทำจริงถ้าได้หลักแล้วมันไม่ยากเกินไปที่มนุษย์ธรรมดาธรรมดาอย่างพวกเราสักคนหนึ่งจะทำได้ไม่ใช่เหลือวิสัยแต่ก่อนนนหาคนปฏิบัติจริงๆหายากมากเลยเพราะว่า ไปทำสมาธินิ่งๆกันหมดหรือพอลงมือปฏิบัตนะิกำหนดไปเรื่อยๆใจไปเกาะนิ่งอยู่กอารมมอันเดียวนิ่งอยู่แค่นั้นสมาธินิ่งๆเนี่ยนะมันมีมาก่อนพระพุทธเจ้าแล้วเป็นสมาธิที่นักปฏิบัติเนี่ยคุ้นเคยไปคิดถึงการปฏิบัติทำเราก็ต้องคิดถึงการนั่งสมาธินั่งหลับตาทาจิตให้นิ่ง เมื่อก่อนหลงพ่อเด็กๆช่องเจ็ดมันชอบมีหนังจกัจกจักวงวงอะไรเงี้ยเดี๋ยวนี้ยังมีแบบนุกเชา้ชาเช้าท้ายังมีก่อนเออดีนะอนุรักษ์ <c oughs> จะมีพวกลือสีนะนั่งสมาธิจนนกกระจอกไปทำรังในหนวดอะไรเงี้ยหนวดก็ยาวแล้วก็นึกว่านักปฏิบัติต้องเป็นอย่างนั้นอยู่ในป่ากินผ ล, ลไม้ นั่งสมาธิทิ้งนอนเป็นเดือนๆจนนกเข้าไปทํารังในหนวดหนึ่งจริงๆแล้วการปฏิบัติธรรมมันเป็นเรื่องการพัฒนาสติปัญญาต้องพัฒนาสติปัญญาขึ้นมาการที่เราจะเข้าถึงความบริสุทธิ์ได้นัเข้าไปได้ด้วยปัญญาพระเจ้าสอนบุคคลถึงความบริสุทธิ์ได้ด้วยปัญญา นี่พอเราได้ยินค่ว่าถึงความรู้สุก ด, ด้วยปัญญากนะ็มีอีกพวกหนึ่งสุดตรงไปเลยจเจริญปัญญาอย่างเดียวเลยนะคิดเอาอ่านธรรมะอ่านพระไตรปิฎกแล้วก็วิเคราะห์เอาคิดเอาเองไม่จริงถ้าเฉลียวใจสักนิดหนึ่งพระพุทธเจ้าสอนไตรสิกขาศีล ส, สมาธิปัญญาอนะไรเนี้ยต้พัฒนาสิ่งเหล่านี้ขึ้นมาถ้ารู้ว่า ต้องพัฒนาศีลสมาธิปัญญานั้นก็จะไม่หลงไปนั่งสมาธิเฉยๆแล้วจะเกิดปัญญาไม่เกิดออกจเจริญปัญญาโดยไม่มีสมาธิไ ม, ม่เกิดมรกฝผลออกหรือมีสมาธิมีปัญญาไม่เอาศีลเป็นไปไม่ได้หรอกก็เป็นสมาธิมหาโจรปัญญามหาโจรไปศีลนั่นเป็นของสำคัญ ศีลเนี่ยเป็นเครื่องข่มจิตไม่ให้ทำตามกิเลสสมาธิเนี่ยเป็นเครื่องมือของจิตที่ข่มกิเลสไม่ให้ครอบงำจิตศีลข่มจิตไหมอยากทำชั่วแล้วไม่ทำอยากพูดช่วยอยากอะไรนี้ไม่ทำข่มจิตไวมไม่ยอมทำตามกิเลสสมาธิเนี่ยทำไปข่มกิเลสได้ จิตใจสบายกิเลสถูกข่มได้สมาธินี่กําลังมันแรงกว่าศีลศีลนี่ยังสู้กิเลสกิเลสรุนแรงกิเลสรุนแรงเอาชนะมันไม่ได้นะข่มจิตไว้ไม่ให้ตามกิเลสไปพอกิเลสมันเบาบางลงกลายเป็นนิวรนเป็นอะไรเงี้ยทําสมาธิข่มกิเลสเลยตอนนี้นี่สมาธิไม่ได้มีแค่นะข่มจิตไม่ให้ตามกิเลส ข่มกิเลสไม่ให้ครอบงำจิตไม่ได้มีอยู่แค่นี้มันสมาธิศีล ส, สมาธินะนส่งทอดขึ้นมาให้มีปัญญาปัญญานะรู้ความจริงก็ทาลายกิเลสคือความไม่รู้หัวหน้ากิเลสคือความไม่รู้ความโง่นั่นเองเบื้องต้นไม่รู้ว่าตัวเราไม่มีคิดว่าตัวเรามีจริงๆเบื้องปลายนะไม่รู้ ว่าสิ่งที่นึกว่าเป็นตัวเราตัวเรานะจริงๆเป็นตัวทุกรูปนี่เป็นตัวทุกเวทนาคือความรู้สึกทั้งหลายรู้สึกสุขรู้สึกทุกข์ก็เป็นตัวทุกเป็นของไม่ดีสัญญาความจำได้หมายรู้เป็นตัวทุกเป็นของไม่ดีสังขารก็เป็นตัวทุกความปรุงทั้งหลายปรุงดีก็ทุกปรุงชั่วก็เป็นตัวทุกวิญญาณก็คือ จิตที่ไปรับวรู้อารมณ์ทางตาหูจมูกเล่นกายใจก็เป็นของไม่ดีของไม่ใช่ของวิเศษเป็นตัวทุกข์เหมือนกันถ้าปัญญาแก่รอบเห็นขันห้าเป็นตัวทุกข์จิตจะปล่อยขันห้าถ้ายังไม่เห็นขันห้าเป็นทุกข์ปล่อยวางไม่ได้อย่างพวกเราเนี่ยจะมาพูดบอกว่าจะไม่ยึดถืออะไรจะไม่ยึดถืออะไรหลายคนพูดมักง่าย ว่าไม่ยึดถืออะไรเลยเนี่ยสอนกันนะอย่าไปยึดสิอย่าไปยึดสิพูดแต่ได้ก็จริงจริงมันยึดน่ะมันพูดเอาได้แต่ปากว่าไม่ยึดจริงๆมันยึดทำไมมันยึดเพราะมันยังไม่เห็นทุกข์ถ้าเห็นทุกข์แล้วมันไม่ยึดหรอกถ้าเราเห็นขันห้าเป็นทุกข์จริงจมันจะรีบโยนทิ้งเลยหน้าใส่สเอียนหน้าเบื่อหน่ายไม่ใช่ของดีของวิเศษ อย่างพวกเราเห็นว่าร่างกายนี่เป็นทุกข์บ้างเป็นสุขบ้างอย่างนี้ไม่เรียกว่าเห็นทุกข์ยังเห็นผิดอยู่ร่างกายนี้เป็นทุกข์บ้างเป็นสุขบ้างจิตใจเป็นทุกข์บ้างเป็นสุขบ้างเห็นได้แค่นี้ไม่เรียกว่าเห็นทุกข์เลยถ้าเห็นทุกข์ก็จะเห็นว่าร่างกายนี่เป็นทุกข์ล้วนๆเพียงแต่มีทุกข์มากกับทุกข์น้อยเวลามีทุกข์มากนะคนทั่วไปก็รู้สึกว่ามันทุกข์ เวลามันทุกน้อยลงคนขเข่าก็คิดว่ามันสุขละจิตใจก็เหมือนกันเราเห็นว่าจิตใจเป็นสุขบ้างเป็นทุกข์บ้างในความจริงมันเป็นทุกข์ล้วนๆมีแต่ทุกข์มากกับทุกข์น้อยคนไม่มีปัญญาพอไม่มีสติปัญญาพอก็จะไปเห็นตอนมันทุกน้อยก็ว่ามันเป็นสุขเนี่ยเรามาเจริญปัญญานะล้างความเห็นผิดไปถ้าล้างความเห็นผิดขั้นแรกได้ เห็นว่าทุกอย่างเกิดแล้วดับหมดเลยไม่มีอะไรเป็นอมตะไม่มีอะไรถาวรสิ่งที่เรียกว่าตัวเราตัวเรานะี่ยมันไม่ใช่ความรู้สึกเป็นเราเป็นกล่าวๆนะคาว่าอัตตาเนี่ยคำว่าอัตตาจริงๆก็คือความเห็นความรู้สึกอะว่ามีสิ่งใดสิ่งหนึ่งเป็นอมตะอย่างในจิตใจเราเนี่รู้สึกไหม ในร่างกายเราเนี่ยมีจิตใจที่เรารู้สึกว่ามันคงที่จิตใจของเราเดี๋ยวนี้กับจิตใจของเราตอนเด็กๆมันก็คนเดียวกันจิตใจของเราวันนี้กับจิตใจวันหน้ามันก็คนเดียวกันจิตใจชาตินี้ชาติก่อนชาติหน้าก็เป็นคนเดียวกันอย่างนี้แรกเรียกว่ามีอัตตามีอัตตามีสิ่งที่เป็นตัวตนถาวร อ, อยู่พอร่างกายนี้ตายอัตตาไม่ตายอัตตก็ออกจากร่างไปเกิดใหม่ อันนี้ก็เป็นพวกมิจฉาทิฏฐิเรียกว่าสัตสตทิฏฐิว่าเที่ยงอีกพวกหนึ่งคิดว่าอัตตามีอยู่จริงๆริเนี่ยตัวเรามีจริงๆนะแต่ว่าพอร่างกายตายเนะี่ยตัวนี้ก็ตายไปด้วยศูนย์ไปเลยนี่มันก็เป็นมิจฉาทิฏฐิอีกพวกหนึ่งที่ถูกก็คือปัจจุบันนี้ไม่มีอัตตาไม่ใช่ปัจจุบันนี้มีอัตตาแล้วต่อไปก็เที่ยงนี่ก็เป็นมิจฉาทิฏฐิพวกหนึ่ง เดี๋ยวนี้มีอาตานะอนาคตศูนย์ไปเลยนี่ก็เป็นมิจฉาทิฏฐิพวกหนึ่งอาตาไม่มีมีแต่สภาวธรรมที่เกิดขึ้นแล้วดับไปทั้งสิ้นในกายในใจนี้มีแต่ของที่เกิดขึ้นแล้วดับไปงั้นที่พระโสดาบันท่านเป็นพระโสดาบันกันนั้นที่ว่าละสักยัติทิฏฐิได้ไม่เห็นว่ามีตัวมีตน ที่ถาวรชื่อสัตตะทิฏฐินะเพราะจเรียกชื่อผิดทีเราแก่แล้วทีสัพบเราก็ชักจําไม่ค่อยถูกถ้ามีอัตตาถาวร น, นะตายไปแล้วไปเกิดก็ไอตัวเก่าก็เนี่ยเรียกสัตตะทิฏฐินะถ้าตายแล้วศูนเนี่ยอุเฉทัตทิฏฐิความจริงปัจจุบันนี้ก็ไม่มีมีแต่ความสําคัญว่ามีความสําคัญว่ามีนี่เรียกว่าสักกายทิฏฐนะิสําคัญว่ามี เรื่องศับตอนหลังๆชักแก่แล้วนะชักจำสั์ผิดๆได้นะแต่ธรรมะรับรองไม่มีผิดเนาะนี่เราเฝ้ารู้นะต้องมาเจริญปัญญานะจเจริญปัญญาได้ก็เพราะมีสมาธิที่ถูกต้องจิตตั้งมั่นเป็นคนดูไม่ใช่ผู้คิดผู้นึกผู้ปรุงผู้แต่งนะงั้นบางคนไปคิดว่าเจริญปัญญาเนี่ยต้องคิดเอา พิจารณาชิดเอาพินาวก็เป็นปัญญาเหมือนกันนะเป็นปัญญาขั้นต้นๆเรียกจินตามายะ ป, ปัญญาปัญญาที่จะเห็นความจริงของรูปธรรมนามธรรมนะต้องภาวนามายะ ป, ปัญญาดูของจริงเจริญสติภาวนาไปว่าเจริญนะเจริญสติเจริญปัญญาไปอยู่ที่ว่าเรามีจิตตั้งมั่นไหมแต่ก่อนนี้หายากมากเลย สมัยเมื่อ30ปีก่อนด้วยซ้ําไปนะครูบาอาจารย์ที่เก่งๆนี่มีเกลื่อนไปหมดเลยเรียกว่าเกลื่อนกลาดเลยนะเวลาตะเวนเมื่อก่อนหลวงพ่อก็ชอบนะตะเวนไปตามวัดนะีไปอีสานนี่ชอบมากเลยวันหนึ่งเนี่ยนั้นะได้กลาบครูบาอาจารย์ตั้งเยอะเนะี่ยท่านอยู่ติดๆติๆกันเรียงเลยนะวัดอยู่ใกล้ๆกันเต็มไปหมดเลยเวลาไปนะเหมือนไปชมท้องฟ้าจำลองเลยนะดาวนี่แพรวพรวเต็มไปหมดเลย ทั้งๆ ท, ท, ที่สมัยโน้นครูบาอาจารย์ยังเยอะนะแต่คนที่รู้สึกตัวได้เนี่ยก็ยังมีน้อยน้อยเอามากๆเลยในวัดวัดหนึ่งยังมีสักคนสองคนก็ยังหายากเลยตอนนั้นหลวงพ่อสอนเพื่อนนะกลุ่มหนึ่งที่แรกไปวัดกาไปสองคนเองแต่มาค่อยขยายเรื่อยๆต่ได้เช่ารถตู้ไปกันสิบคนอะไรเงี้ยเวลาพาเข้าวัดไปกราบครูบาอาจารย์ท่านมองเลยว บางองค์ท่านออกปากเลยว่าไปรวมกันมาได้ขนาดนี้เยอะขนาดนี้สิบคนว่าเยอะแล้วนะถ้าท่านมาเห็นวันนี้นะไม่รู้กี่หมื่นกี่แสนเนาะจิตที่ตื่นขึ้นมาจิตที่รู้สึกตัวขึ้นมาสมัยโน้นยี่สิสามิปีก่อนนะหายากที่สุดเลยที่คนคนหนึ่งจะตื่นขึ้นมาหลวงพ่อภาวนาจนจิตตื่นขึ้นมาสมัยเมื่อสามสิบปีก่อนนะก่อนหน้านั้นทาแต่สมาธินะ ก็ทําแต่ความสงบเมื่อเจอหลวงปู่ดูลปีสองห้านะฝึกจิตมันตื่นขึ้นมาตื่นโพรงอยู่ได้ทั้งวันเลยจิตไม่ไหลหไปรวมหลงในโลกของความคิดเจอครูบาอาจารย์ท่านเรียกหลวงพ่อว่าผู้รู้ผู้รู้ผู้รู้ผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานนั่นแหละหลวงปู่สิมเจอหน้าหลวงพ่อจะเรียกหลวงพ่อว่าผู้รู้ถ้าไม่รู้จักชื่อเรียกผู้รู้ ทำไมแค่เรารู้สึกตัวครูบาอาจารย์เรียกเราว่าผู้รู้เพราะมันมีน้อย ม, มีน้อยนะนี่กราบหลวงพ่อพุทธครั้งสุดท้ายก่อนท่านมรณาภาพไม่นานไปกราบท่านบอกหลวงพ่อผมไม่เจอหลวงพ่อนานแนละ้วท่านบอกหลวงพ่อจำได้นักปฏิบัติมีไม่มากหรอกคนนั่งสมาธิบางทีงเป็นร้อยเป็นพันนะคนปฏิบัติธรรมเป็นร้อยเป็นพันท่านก็บอกนักปฏิบัติมีไม่มากหรอก ทุกวันนี้มากนะถ้าครูบาอาจารย์มาอยู่ท่านจะชื่นใจมากเลยเนยชื่นใจมากเลยเพราะพวกเราเนี่ยเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานนับจำนวนไม่ท้วนของหายากสมัยก่อนกลายเป็นของพื้นๆในสมัยนี้ไปละคนซึ่งรู้สึกตัวได้ตอก่อนหลวงพ่อสอนพอรู้สึกตัวขึ้นคนหนึ่งหลวงพ่อบอกรู้สึกตัวแล้วตื่นแล้วอะไรนี้นะก็ไปลือกันว่าเป็นพระโสดาบัตแล้นะ ตื่นเนี่ยัยังไม่เริ่มมีปัสนาเลยตื่นเนี่ยเป็นจุดตั้งต้นเพื่อจะเดินมีปัสนาเท่านั้นเองจิตที่ตื่นขึ้นมาคือจิตหลุดออกจากโลกของความคิดมันสามารถเห็นความจริงของกายของใจได้แต่บางคนมันไม่เอา่างนั้นนะมันเอาตื่นที่มาแล้วก็ตื่นอยู่งั้นอะตื่นแล้วก็ตื่นแล้วก็ตื่นตื่นเพื่อจะตื่นไม่เอาจิตที่รู้ที่ตื่นที่เบิกบานแล้วเนี่ยไปเรียนรู้ความจริงของกายของใจของธาตุของขันมีนะ รักษาจิตไว้เฉยรู้ตัวอยู่เฉยจะทำอะไรนี่รู้ทั้งวันเลยนะแต่ไม่เดินปัญญา จ, จริงไม่ดูความเป็นใจรักของาธาตุของขันแยกรูปแยกนามไม่เป็นอะ่ะก็ใจก็ทรงนิ่งอยู่รักษาจิตไว้เฉยเฉยอันนั้นเป็นสมถะเองงั้นจุดที่จิตตื่นเนี่ยเป็นสมาธินะมันคือจิตศิกขาจิตศิกขามาทำเต็มที่แล้วจิตจะตื่นขึ้นมา จิตจะตั้งมั่นขึ้นมาเพรนั้นไม่ใช่เป็นพระโสดายังไม่ได้เริ่มวิปัสนาเลยยังไม่ได้เจอวิปัสนูด้วยนี่พอจิตตื่นขึ้นมาแล้วเนี่ยบางคนที่มีบารมีเก่าเคยเจริญปัญญามาแต่ชาติก่อนๆพอจิตตื่นท่านนั้นขันแตกเลยขันแยกออกมาเลยเห็นร่างกายอยู่ส่วนร่างกายจิตอยู่ส่วนจิตเลยนเห็นเวทนาอยู่ต่างหากคือความสุขทุกข์อยู่ต่างหากเห็นกุศลอกุศลแยกออกไปอยู่ต่างหาก เห็นจิตที่ทํางานทางตาหูจมูกลิ้นกายใจเกิดดับอยู่ทางตะวันทั้ง6นี่เห็นอัตโนมัติเลยเพียงแค่จิตตื่นอันนี้พวกที่เคยทํามาแล้วนะแต่ถ้าพวกที่เพิ่งจะตื่นชาติแรกๆนะเนี่ยอันนี้ต้องช่วยมันช่วยพิจารณาแยกธาตุแยกขันเพราะมันจะตื่นอยู่เฉยๆมันไม่ยอมเดินปัญญาเนั้นถ้ารู้สึกตัวอยู่เฉยรู้สึกตัวแล้วก็เฉยอยู่อย่างนี้ครูบาอาจารย์บอกเลยว่าใช้ไม่ได้ นะสอนเลยว่าระวังอย่าให้จิตไปติดเฉยนะเมื่อจิตเป็นผู้รู้ผู้ตื่นแล้วอย่าไปติดเฉยอยูนะ่ให้น้อมน้อมจิตนี้แหละไปเรียนรู้ความจริงนะเพื่อให้เกิดยานทัศนะให้เกิดความเห็นถูกนะดูลงมาในกายนะเห็นร่างกายเป็นของถูกดูจิตเป็นผู้รู้ผู้ดูอยู่ค่อยๆฝึกไปเช่นนั่งอยู่ตอนนี้ทุกคนกำลังนั่งอยู่นะแล้วก็เห็นร่างกายมันนั่ง จิตเป็นคนดูเห็นร่างกายหายใจออกจิตเป็นคนดูเห็นร่างกายหายใจเข้าจิตเป็นคนดูถ้ามันขยับไม้ขยับมือเห็นร่างกายเคลื่อนไหวจิตเป็นคนดูค่อยๆฝึกไปในที่สุดจิตกับกายมันจะแยกออกจากกันมันจะแยกได้ทั้งวันเลยจิตกับกายเนี่ยเห็นร่างกายอยู่ส่วนร่างกายจิตอยู่ส่วนจิตอย่าว่าแต่ตอนตื่นเลยบางคนนึกว่าหลวงพ่อสอนดูจิตแล้วดูกายไม่เป็น หารู้ไหมว่านักดูจิตเนี่ยนะหลับอยู่ยังรู้กายเลยพลิกซ้ายพลิ ก, กววารู้ตลอดคืนเลยใครเป็นอย่างนี้บ้างมีไหมนอนหลับอยู่แล้วขยับตัวแล้วรู้สึกเนี่ยยกมือหน่อยซิมีไหมเออถ้าฝึกมากๆน่าจะเป็นนะอัตโนมัติเลยรู้สึกรู้สึกอยู่ในกายรู้สึกอยู่ในใจแล้วรู้สึกอยู่ตลอดเวลาเลยทันทีที่จิตตั้งมั่นขึ้นมานะเห็นกายเคลื่อนไหวนะมันรู้ด้วยใจเลยว่า นี่ไม่ใช่ตัวเราหรอกนี่เป็นแค่วัตถุอันนึงนะร่างกายเป็นวัตถุอันนึงไม่ใช่คนไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่เราไม่ใช่เขานี่แหละเรียกว่าการเจริญปัญญานะดูลงมาในสิ่งที่รวมกันเข้ามาประกอบกเข้ามาเป็นตัวเราอย่างเริ่มแต่ร่างกายนะนี่บางคนแยกจากกายไม่เป็นบางคนถนัดดูจิตมาแต่ชาติต่างก่อนนะให้มาดูกายเห็นร่างกายหายใจจิตเป็นคนดูอะไรนี่ไม่ถนัด เขากับสนัดไปแยกนามมาทำแยกนามมาทำก็ได้มันก็แยกขันเหมือนกันเช่นความสุขเกิดขึ้นในจิตนะมันเห็นเลยเ่าความสุขเป็นสิ่งที่แปลกปลอมเข้ามาจิตเป็นผู้รู้ผู้ดูความสุขกับจิตเป็นคนลานกันอันนี้ใครเห็นอย่างนี้บ้างมีไหมยกมือสิก็จะซ้ำพวกกายด้วยนะพวกที่เห็นกายอย่างนั้นได้ก็เห็นจิตอย่างนี้ได้ด้วยไม่ยากอะไรเห็นความสุขเป็นสิ่งที่แปลกปลอมเข้ามาจิตเป็นคนดูอยู่ต่างหาก เห็นความทุกข์เป็นสิ่งที่แปลกปลอมเข้ามาจิตเป็นคนดูอยู่ต่างหากจะรู้เลยความสุขความทุกข์เป็นแค่สภาวะธรรมอย่างหนึ่งเป็นสิ่งสิ่งหนึ่งเท่านั้นเองไม่ใช่คนไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่ตัวเราไม่ใช่เขานะเป็นสภาวะของความรู้สึกที่แปลกปลอมขึ้นมาในจิตเป็นคลาวลแล้วก็หายไปนะมาดูกุศลนะกุศลก็ได้บางคนขี้มโมโหก็รู้เลยจิตตกีไม่มโมโหตอนนี้มโมโห จิตตกี้โมโหตอนนี้ไม่โมโหเนี่ยดูไปจะเห็นในความโกรธเนี่ยเป็นสิ่งที่แปลกปลอมเข้ามาสู่จิตเป็นคราวๆเป็นสิ่งที่จิตไปรู้เข้าความโกรธไม่ใช่จิตหรอกใครเห็นความโกรธกิดจิตเป็นคนละอันบ้างมีไห้ยกมือนะยกสูงๆนี่นี่นะพวกเราดูไว้พวกที่เห็นโกรธแยกออกไปจากจิตมีขนาดนี่ใครเห็นโลภแยกออกจากจิตบ้างยกมือซิ น้อยกว่าโกรธไหมโกรธ ด, ดูง่ายกว่าใครเห็นว่าความใจลอยไม่ใช่จิตบ้างเหลืออยู่ยุ่มยิมล้นะโกรธ ด, ดูง่ายที่สุดโกรธ ด, ดูง่ายที่สุดเป็นของหยาบที่สุดนะพระพุทธเจ้าก็บอกว่าโทสะนะเป็นกิเลสที่มีโทษมากแต่ละง่ายที่ละง่ายเพราะเห็นง่ายโลภะเนี่ย มีโทษน้อยกว่าโทสะนะแต่ละยากกว่าที่มันละยากเพราะมันเห็นยากโทสะนี่เห็นง่ายที่สุดมันฉูดฉาดที่สุดโทสามีโทษมากนะเกิดโทสะขึ้นมาทําลายล้างคนอื่นทําลายล้างตัวเองได้แต่ละง่ายเพราะว่ามันเห็นง่ายเห็นโทษเห็นภัยง่ายราคะนี่ยเห็นโทษเห็นภัยยากกว่ามันโทษมันน้อยกว่าโทสะแต่ว่าเห็นโทษเห็นภัยยาก โมหะมีโทษมากที่สุดนะละยากที่สุดเพราะเห็นยากที่สุดอย่างจิตฟุ้งซ่านรู้สึกไหมจิตฟุ้งซ่านไม่ใช่เราเห็นความฟุ้งซ่านกับจิตเป็นคลนละอนยากนะออมันมีแต่เห็นว่าจิตเรานี่แหละฟุ้งซ่านมันไม่ใช่เห็นว่าจิตกับความฟุ้งซ่านเป็นโคละอันะมันเห็นว่าจิตของเราฟุ้งซ่านเนะี่ยค่อยๆหันรู้หัดดูไปนะหัดแยกไปเรื่อ ย, เ ร, อยเรียกว่าหัดแยกขัน เห็นเวทนาคือความสุขทุกข์กัจิตนะเป็นโคราลานกั น, นเห็นสังขารคือความปรุงดีความปรุงชั่วเช่นความโลภความโกรธความหลงกัจิตนะเป็นโคราลัานกันเห็นจิตเกิดดับทางตาหูจมูกลิ้นกายใจเราค่อยไปสังเกตเอาจิตเกิดดับทางทวารทั้งหกมันเกิดดับได้จริงๆเอาช่วยกันดูพระพุทธรูปนคนไหนเคยฝึกแล้วไม่ต้องดูก็ได้นะลองฝึกดู ตั้งใจดูที่ยอดท่านยอดแหลมแหลมท่านอ่ะประกอบด้วยแฉกเล็กๆจำนวนมากลองนับดูว่ามีกี่แฉกเราสังเกตไหมขณะที่เราตั้งใจนับเนี่ยจิตของเราไหลไปอยู่ที่ยอดพระที่พระเกศยอดแหลมแหลมจิตเราไหลไปอยู่ที่โน่้นเลยตรงนี้ดูออกไหมถ้ายังดูไม่ออกก็ไปหัดดูอยู่ที่บ้านเรานั่นแหละ ไปหัดดูแล้วก็เห็นเลยจิตมันไหลไปอยู่ตรงที่เราดูต่อไปก็เห็นอีกเวลาฟังจิตมันก็ไหลไปอยู่ที่ฟังอย่างคนข้างบ้านเขาซุบซิบซุบซิบนะเราสนใจอยากรู้ว่าเขาคุยอะไรกันนินทาเราหรือเปล่านะอะไรเงี้ยนะตั้งใจฟังนะจิตเราจะไปอยู่ที่เขาเลยนะเวลาดูก็จิตไหลไปดูเวลาฟังจิตก็ไหลไปฟังเวลาคิดจิตก็ไหลไปคิดเนะนี่ยจิตที่ดูอยู่ได้ชั่วคราวแล้วก็ดับ ลองดูหน้าพระพุทธรูปดูหน้าท่านนะสังเกตไหมว่าเราเห็นหน้าท่านชัดแว บ, บเดียวแล้วต้องขยับตาใหม่ต้องดูอีกอา้าวช่วยกันดูว่าจริงไหมหรือเห็นชัดตลอดดูออกไหมว่าเห็นชัดแวบๆบแบบใครยังไม่ออกนั่งก็ไปหัดดูต่อเนี่ยจิตที่มันไปรับรู้ทางตานะมันรู้อารมณ์ได้แว บ, บเดียวท่านนึงแล้วก็เบลเบลไปดูมือตัวเองก็ได้ ลองมือดูมือของเราเองสังเกตไหมเราเห็นมือเราชัดทีละส่วนทีละส่วนพอชัดขึ้นมาแล้วก็เลื่อนๆไปต้องตั้งใจดูใหม่ชัดขึ้นมาอีกเนี่ยจิตที่ไปรับรู้อารมณ์ทางตานะมันไม่ได้รับรู้ได้ตลอดเวลามันเกิดขึ้นชั่วขณะแล้วมันก็ดับไปนะเวลาที่เราไปนั่งดูทีวีอยู่บ้านไปดูโทรทัศนะ์นะแต่ว่าควรเรี่ยงรายการการเมือง นะดูแล้วกิเลส ท, ที่ยังไม่เกิดมันจะเกิดกิเลส ท, ที่เกิดแล้วมันจะมากขึ้นอย่างั้นเราก็เลี่ยงหารายการอื่นที่มันไม่รุนแรงมากนะดูไปแล้วก็สังเกตใจเรานะเวลาดูทีวีสังเกตให้ดีเดี๋ยวใจเราก็วิ่งไปดูเดี๋ยวใจเราก็วิ่งไปฟังเดี๋ยวใจเราก็วิ่งไปคิดสลับไปสลับมา ถ้าดูรายการที่รุนแรงมากนะใจมันจะไหลไปรวมกับเรื่องราวในทีวีจนลืมลืมดูนะเอาอะไราการที่มันไม่รุนแรงมากแล้วไปนั่งดูทีวีจะเห็นเประเดี๋ยวตาก็มองภาพในจอประเดี๋ยวหูก็ฟังเสียงประเดี๋ยวใจก็คิดจิตของเรานี้และเกิดดับสลับกันไปเรื่อยๆเดี๋ยวเกิดที่ตาเดี๋ยวเกิดที่หูเดี๋ยวเกิดที่ใจอย่างนั่งฟังหลวงพ่อเทศอยู่นี้เดี๋ยวก็มองหน้าหลวงพ่อหน่อยนึง เดี๋ยวก็ตั้งใจฟังฟังนิดนึงก็สลับไปคิดเนี่ยเฝ้ารู้เฝ้าดูนะมันจะเห็นเลยว่ากระทั่งจิตก็เกิดดับนะเฝ้ารู้ไปเรื่อยนะหัดแยกขันไปหัดแยกธาตุแยกขันแล้วก็เห็นธาตุเห็นขันนั้นแสดงไใจลับนี่แหละเรียกว่าการเจริญปัญญาเริ่มต้นโดยหัดแยกธาตุแยกขันก่อนกายกับใจคนละอันกันความสุขความทุกข์ก็ไม่ใช่กายไม่ใช่ใจ กุศลนะกุศลทั้งหลายที่เกิดขึ้นกับจิตก็ไม่ใช่กายไม่ใช่ใจนะค่อยๆดูไปจิตที่เกิดทางตาหูจมูกลิ้นกายใจเกิดแล้วก็ดับไปไม่มีอะไรที่คงทนถาวร อ, อยู่เลยไม่ใช่ตัวเราที่ถาวร อ, อีกเนี่ยเฝ้ารู้เฝ้าดูลงไปเรื่อยนะในที่สุดปัญญามันเกิดมันจะปิ๊งขึ้นมาเบื้องต้นมันจะปิ๊งขึ้นมาว่าตัวเราไม่มีมีแต่สิ่งใดสิ่งหนึ่งเกิดขึ้นสิ่งนั้นดับเป็นธรรมดา อย่างเรารู้สึกอยู่กายกับใจแยกกันอยู่เนีนนเห็นร่างกายหายใจอยู่มันจะรู้เลยว่าเรามีชีวิตอยู่ชั่วขณะที่หายใจเท่านั้นหายใจออกถ้าหายใจออกแล้วไม่หายใจเข้าก็ตายหายใจเข้าแล้วไม่หายใจออกก็ตายแลร่างกายนี้ก็อยู่ชั่วขณะเท่านั้นเองร่างกายยืนเดนนินนั่งนอนก็เป็นชั่วขณะนึงขณะนี้ยืนขณะนี้เดินขณะนี้นั่งขณะนี้นอนมันคนละคราวคนละคราวไปเปลี่ยนไปเรื่อยๆไม่ใช่ตัวเราหรอก ความสุขความทุกข์ก็เปลี่ยนไปด้วยนั่งอยู่ก็เดี๋ยวก็ปวดตรงนั้นเดี๋ยวก็คันตรงนี้เปลี่ยนไปเรื่อยๆรืหรือจิตใจฟังหลวงพ่อเทศอยู่เดี๋ยวก็มีความสุขเดี๋ยวก็เป็นอุเบกขาเดี๋ยวก็งงเดี๋ยวก็เครียดฟังหลวงพ่อเทศบางทีเทศยากงงใครเคยรู้สึกไหมงงงงรู้วงงนะไม่ต้องหาคำตอบหรอก พิเทให้ฟังแทบเป็นแทบตายนะเพื่อให้พวกเรารู้สภาวะให้เป็นเท่านั้นเองแล้วก็ให้เห็นในสภาวะทั้งหลายนะั้นไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาต้องการสอนตรงนี้เท่านั้นเองเพราะน้นบางทีพูดอะไรที่เราไม่เข้าใจไม่สําคัญนะที่หลวงพ่อพูดกับคนคนหนึ่งเขาเข้าใจเราไปฟังเราไม่เข้าใจเรางงงงก็แค่รู้ว่าความงงมันเกิดขึ้นก็นะเห็นว่ามันเกิดแล้วมันก็ดับไปเกิดแล้วก็ดับไปต้องการให้เห็นแค่นี้เองไม่ได้ต้องการอะไรเยอะหรอก ฟังแล้วมีความสุขส่วนใหญ่เวลาฟังหลวงพ่อเริ่มต้นนะจะฟุ้งซ่านฟังไปสักพักหนึ่งจะสงบมีความสุขจิตมีความสุครู้ว่ามีความสุขจิตสงบรู้ว่าสงบนะสงบเป็นสังขารอยู่ในกลุ่มสังขารขันความสุขอยู่ในกลุ่มของเวทนาขันเกิดที่ใจเราด้วยกันที่จิตใจเราเวทนาเด่ น, นก็เห็นจิตใจมีความสุขจิตใจมีอุเบกขา บาทีสังขารมันเด่นเห็นจิตใจสงบจิตใจงงเนี่ยจิตใจฟุ้งซ่านดูความเปลี่ยนนี่เป็นดูสังขารที่เปลี่ยนแปลงที่มาฟังธรรมเพื่อจะหัดดูให้เป็นเท่านั้นแหละพอดูเป็นก็เรียกว่าเรารู้วิธีปฏิบัติเราก็ต้องไปปฏิบัติด้วยตนเองทั้งวันทั้งวันนะตั้งแต่ตื่นนอนจนหลับก็คอยรู้ไป คนไหนถนัดดูกายก็เห็นร่างกายมันทํางานจิตเป็นคนดูตื่นนอนมาปุ๊บเนี่ยเห็นร่างกายมันนอนอยู่จิตเป็นคนดูเห็นร่างกายบิดขี้เกียจจิตเป็นคนดูนะบิดซ้ายก็รู้บิดขวาก็รู้เห็นเลยตัวที่บิดนะั้นไม่ใช่ตัวเรานะอย่างนี้ก็เรียกว่าปฏิบัติธรรมนะกำลังบิดขี้เกียจอยู่ก็ปฏิบัติธรรมอยู่ดีไม่ดีบรรลุพระอรหันต์ขณะนั้นจะได้จดจารึกไว้ว่าบรรลุตอนบิดขี้เกียจบ้างนะ อยู่ที่สติปัญญามันจะไปพอตอนไหนนั้นเรารู้ไปื่อยนะรู้เห็นกายมันทำงานไปไม่ใช่ตัวเราเห็นเวทนามันทำงานไม่ใช่ตัวเราเห็นสังขารมันทำงานไม่ใช่ตัวเราเห็นจิตมันทำงานไม่ใช่ตัวเราเฝ้าดูไปเรื่อยสุดท้ายมันก็ปิ๊งตัวเราไม่มีหรอกภาวนาจนยอมรับความจริงว่าตัวเราไม่มีก็เป็นพระโสดาบันภาวนาต่อไปอีกรูปนี้ก็มีแต่ทุกข์ มีแต่ทุกข์มากกับทุกข์น้อยเวทนานี้ก็เป็นทุกขนะ์นั้นทั้งสุขทั้งทุกข์นี่แหละเป็นสิ่งที่เสียดแทงใจทั้งสิ้นเลยนะความสุขก็เสียดแทงฉิตใจใครเห็นตัวนี้ได้บ้างละความสุขเป็นของเสียดแทงใจยกมือซิยกมื อ, มอโอ้สาธุนะไม่ใช่ง่ายนะมีแต่คนเขาวิ่งหาความสุขแต่เรารู้แล้วว่าความสุขเป็นเครื่องเสียดแทงนะเนี่ยเฝ้ารู้ไปนะจะเห็นเลยไม่มีอะไรมีแต่ทุกข์ทั้งนั้นเลง ใครเคยเห็นจิตที่ไหววเวลากระทบอารมณ์บ้างสังเกตไหมจิตมันไหววได้เองถ้าเราดูความไหวไปเรื่อยๆนะทั้งวันทั้งคืนถ้าจิตมันอัตโนิสติอัตโนมัติมันเห็นความไหวอยู่ทั้งวันทั้งคืนนะจะรู้เลยว่านอกจากทุกข์ไม่มีอะไรเลยทุกคราวที่จิตไหวทุกคราวของความทุกข์นั่นแหละใครเคยเห็นจิตไหวแล้วเป็นทุกข์ไมใช่ทุกข์ล้นลนเลยนะ ทั้งวันทั้งคืนมีแต่ทุกข์เลยไปดูหนังจิตก็ไหวก็ทุกข์อีกไปฟังเพลงจิตไหวจิตก็ทุกข์อีกนั่งอยู่ดีๆลมพัดนะกระทบผิวร่างกายจิตก็ไหวแสงแดดส่องถูกเปลือกตาจิตก็ไหวได้ยินเสียงพระคอระคังจิตก็ไหวแถมน้ำลายไหลด้วยเออนี่ยเออนี่ถ้าเราเห็นจิตที่ไหวๆๆนะเวลามันกระทบอารมณ์แล้วไหวไปเรื่อยจะเห็นเลยทุกข์จริงๆเลย ว่ามันไหวทั้งวันมันไหวทั้งคืนนะสะเทือนอยู่อย่างนั้นอ่ะธาตุขันเนี่ยสะเทือนนะถูกบีบคั้นอยู่ตลอดเวลาเลยสั่นสะเทือนอยู่ตลอดเวลาเลยดูไปดูไปโอ้ทุกครั้งนั้นเลยทุกจนทนแทบไม่ไหวนะถ้าเมื่อไหร่รู้สึกทุกจนดูต่อไปจะไม่ไหวแล้วไม่ดูมันก็ไม่ได้มันเห็นตลอดเวลาถ้ามันถึงจุดนี้นะเวลาต้องการพักเนี่ยมีที่เดียวคือการทําสมถะนะ ้แต่ถ้าเห็นจิตไหวๆแล้วก็หลงไปบ้างแล้วมาเห็นไห ว, ว้เนีอันนี้ไม่จาเป็นอ่ะยังไม่เห็นทุกแท้จริงตอนที่ไหวๆอยู่นั่นก็ทุกตอนที่เผลอไปไม่ทุก เ, เลยตอนหลังจิตจะน้อมไปทางเผลอจิตจะน้อมไปทางไม่ดูทุกใครเคยเป็นภาวนานแล้วจิตไปอยู่ว่างๆไม่ยอมดูกายดูใจ ย, ยกมือซิมีไหมเนี่เพราะว่ามันหนีทุก วิธีเวลาถ้ามันไหวหไวเราเห็นเป็นทุกข์เนี่ยไม่ใช่หนีด้วยการทรรําไม่รับรู้มันทาไม่รับรู้มันเราจะเวียนอยู่ในวัฏ ต, ตะไม่เลิกถ้ามันไหวหไวแล้วเราทนไม่ไหวแล้วนะเหนื่อยมากนะทำความสงบจิตพอทําความสงบเนี่ยนะไอ้ความไหวเนี่ยมันจะลดความรุนแรงลงพนอะมันลดความรุนแรงแล้วก็คอยรู้ค่อยดูไปเนี่ยมาเนิบๆมาช้าๆ เนะราดูไปดูไปมันค่อยเร็วขึ้นเร็วขึ้นนะไหววิบ ว, ว, ว, ว, ว, ว, วิบวิบวทั้งวันทั้งคืนอีกก็ทำความสงบเข้ามาอีกเนี่ยจิตจะมีแรงสุดท้ายจิตจะรู้เลยว่ามีแต่ทุกข์ทั้งนั้นเลยนะความปรุงแต่งเกิดขึ้นที่ไรความทุกข์เกิดขึ้นทุกทนะีความปรุงแต่งทั้งหลายสงบจะได้นะก็ความพ้นทุกข์ก็เกิดขึ้นนะเคยได้ยินไหมอันนี้จาวตาสังคาราอุปาทาวยธรรมิโนปชิตวานิรุชันติ เตสังงูปะสมโมสุขโขสังขารทั้งหลายสงบเสียได้เป็นสุขสังขารเนี่ยทำงานไหววิบวบวิบทั้งวันทั้งคืนนะวัตตะหมุนอยู่ในใจเราเนี่ยวิบวบวิบวบทั้งวันทั้งคืนเลยเราเฝ้ารู้เฝ้าดูไปอย่าไปเกลียดอย่าไปหนีมันทอดถึงหนีมันนะมันก็ยังไหวอยู่อย่างเนี้ยแต่เราไม่เห็นเราไม่เห็นทุกเห็นโทษไม่หนีมันไม่น้อมใจไปว่างๆหนีมันมเห็นไหวก ป, ๆๆปั๊บๆัไปอย่างเงี้ยถ้าทนไม่ไหวก็ทําความสงบเข้ามา มีกำลังใจมีเรื่องมีแรงดูมันอีกสติมันจะอัตโนมัตินะมันจะเห็นได้ไหววิแบบวัแบวบิบวับเห็นทั้งวันนะมันเห็นทั้งวันเห็นทั้งคืนด้วยสมาธิจิตตั้งมั่นอยู่อันนี้เป็นสมาธิชนิดจิตตั้งมั่นถึงเห็นมันไหววิบวับเวลาจะพักเนะใช้สมาธิชนิดสงบคือใช้สมถะไม่ใช่พักด้วยจิตที่ตั้งมั่นนะแต่พักด้วยจิตที่สงบอยู่ในร ม, มันเดียวเป็นที่พักแล้วสมถะเอาไว้พักผ่อน พอพักผ่อนพอสมควรมีเรี่ยวมีแรงสดชื่นแล้วก็มีจิต ท, ที่ตั้งมั่นแนละ้วดูธาตุดูขันมันทํางานมันะจะจนทั้งฝึกจมนมาอัตโนมัติไปหมดเลยนะสติะระลึกถึงความไหวของจิตเนี่ยทั้งวันทั้งคืนโดยที่ไม่เจตนานะจิตก็ตั้งมั่นเป็นผู้รู้ผู้ดูนะแถมยังได้รับความชุ่มฉ่าของสมาธิของสมถะมาช่วยเหลือด้วยนะใจไม่แห้งผากเกินไปถ้าไม่มีสมถะช่วยนะ่าจะแห้งแห้งสุดขีดเลยแห้งผากเลยนะแห้ง อาศัยสิ่งเหล่านี้นะฝึกไปจนเป็นอัตโนมัติพอมาอัตโนมัติแล้วคราวนี้เลิกไม่ได้การปฏิบัตินะหยุดไม่ได้เลิกไม่ได้แต่พักได้ด้วยสมถะมีเท่านี้เองเนะี่ยทำมากเข้ามากเข้าปัญญามันพอนะจิตมันรู้แจ้งเลยว่าจิตนี้เป็นทุกข์จริงๆจิตนี้หาสาระแก่นสารไม่ได้มีแต่ความไม่เที่ยงกระเพื่อมไหวอยู่ตลอดเวลา จิตนี่ถูกบีบคั้นอยู่ตลอดเวลาจิตนี่ทำงานเองไม่ใช่ตัวใช่ตนอะไรถ้าได้อย่างนี้มันรวมเข้ามานะก่อนที่มันจะเข้าใจเนี่ยจิตจะรวมเข้าอัปปนาสมาธิเลยทั้งๆที่ชาตินี้ไม่เคยหัดเข้าฌานเลยนะนี่หัดเจริญสติอยู่อย่างพวกเราเนี่ยคอยดูไปถึงเวลาทาในรูปแบบบ้างอะไรบ้างนะทุกวันทำไปเพื่อให้มีแรงแล้วก็เจริญสติดูกายดูใจมันทำงานไปพอถึงขั้นละเอียดจะถึงความไหวยิบยั บ, ย บ, ย บ, ยบในจิตนี่นะ ล้วดูไปเรื่อยถึงมันพอนะจิตจะเข้าอัปปนาสมาธิเองเข้ารวมมาเองเลยนะแล้วมันจะมาตัดกิเลสข้างในใจเรานี้ตนะัดจากนั้นออกจากสมาธิมาแล้วนะพ้นจากกระบวนการของอริยมรรคผลแล้วเนี่ยทบทวนดูกิเลสอะไรล้างแล้วกิเลสอะไรยังไม่ล้างแต่ตอนทบทวนต้องระวังอย่างนึงบางคนจิตรวมเข้าสมาธิแล้วมีอาการแปลกๆนึกว่าเกิดมรรคผลไม่เกิดนะ มันเป็นอาการหลอกต่า ง, า ง, างๆนานาซึ่งเยอะมากเลยที่อยหลอกพอออกมาแล้วเนี่ยจิตค้างสมาธิออกมาด้วยออกจากสมาธิแล้วจิตค้างความนิ่งออกมาจิตจะนิ่งๆแต่สมมติว่าจิตนิ่งอย่างนี้ทั้งวันเลยจะไม่มีกิเลสโผล่เลยแล้วบอกว่าดูแล้วไม่มีกิเลสแล้วบรรลุแล้วทีนะ่จริงไม่ใช่ออกไปประคองจิตไว้ไปรักษาจิตไว้เออมื่อเราไปประคองไว้นะ่ะมันไม่มีกิเลสนะนะแต่พอปล่อยเท่านั้น่ะกิเลสจะมาเลย แล้วเราเวลาจะดูจิตว่าล้างกิเลสหรือยังนะอย่าประคองจิตให้นิ่งอย่าประคองจิตนะปล่อยจิตให้เป็นธรรมชาติสมัยที่ยังภาวนาไม่เป็นอย่างนั้นเลยปล่อยให้จิตทํางานปกติถ้าเห็นได้อย่างนั้นนะถึงจะดูตัวจริงออกว่ากิเลสนั้นยังมีหรือไม่มีกิเลสตัวไหนล้างแล้วตัวไหนยังไม่ล้างจะเห็นด้วยตัวเองได้แต่ถ้าประคองจิตนิ่งๆแล้วก็บอกว่าดูแล้วไม่มีอันนั้นไม่ใช่ อ่ะันนี้เอาแค่นี้ก็แล้วกันนะไปทานข้าว